เป็นเพียงกัลยาณมิตรให้คำแนะนำให้กำลังใจให้แง่คิดส่วนการปฏิบัตินั้นเราต้องทำเอาเองใครทำใครได้ใครดูใครเห็นใครปฏิบัติใครเป็นเจวาวไปแล้วนี่บางท่านอาจจะสงสัยว่าอันนี้เป็นการทิ้งแก่ตัวหรือเปล่าการปฏิบัติธรรมอามันมีข้อพิสูจน์ต้องทำตัวเราก่อน แต่จะช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นได้ถ้าเราทําไม่เป็นแล้วเนี่ยจะบอกให้ผูอื่นเขาทําเป็นเนี่ยมันก็ยากถ้าเราว่ายนะ้ําไม่เป็นจะไปช่วยคนตกน้าได้อย่างไรเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งภายนอกมันอยู่ภายในจิตใจเราอยู่ที่กายทิจใจเราเนี่เองถ้าเราเข้าใจรู้จักวิธีการปฏิบัติรู้จักช่วยตัวเราให้รอดแล้วแล้วก็วิธีการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยไม่ยากลนะ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 เป็นโรคร้ายแรงที่หมอรักษาได้ก็ดีรักษาไม่ได้ก็ตามลองรู้ลงไปที่ตัวเราสิแค่เรามีสติเราลึกรู้เนี่ยจิตมันก็ได้พลังแลยนะไอ้ที่ป่วยทั้งกายทั้งใจเนี่ยจิตมันก็จะหายป่วยได้เหมือนกันนะการมีสติเดี๋ยน้อยก็หานความเจ็บทุกเวทนาร่างกายไปได้ครึ่งนึงอะรู้ครึ่งหนึ่งเจ็บครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะดีกว่าเจ็บทั้งร้อยลอง พิจารณาดูสว่ากายเราเนี่มันเจ็บป่วยจริงหรือเปล่าโดยสายสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยก็ต้องขอบคุณกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างน้อยเราจะได้มีสติรู้ว่าอ๋อนี่เพราะว่าเราใช้ร่างกายไม่ถูกต้องมันจึงมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอาจจะทานอาหารไม่ถูกต้องทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพโรคร้ายจะเกิดขึ้นในกายเรา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 ถ้าไม่เวิสัยที่จะแก้ปัญหาได้แล้วก็ต้องแก้ปัญหาก่อนดูแล้วก็แก้ปัญหาถ้าแก้ไขไม่ได้ก็เป็นไปยายหนึ่งก็รู้จักปล่อยวาถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขไปตามหน้าที่ตามกําลังเท่เาจะแก้ไขได้เราจะเริ่มเข้าใจเรื่องของกายดีแล้วที่เขาให้เราเห็นอาการของเขาเราจะได้แก้ไขทุกครั้งที่เราแก้ไขากายได้เนี่ยเราจะสบายใจเราจะไม่เป็นทุกข์แถมจะมีความสุขด้วย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 จิตใจก็เรียกป่วยใจอะบางทีร่างกายไม่ป่วยแล้วร่างกายสบายดีแข็งแรงแต่ป่วยใจเนี่ยโหรุนแรงมากทุกไม่เลิกอย่าปล่อยให้จิตใจเราต้องเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ที่มันทำเราต้องเป็นทุกข์นะอย่าลืมเรียกสติผมมักจะเรียกว่าพระสติเรียกสติ ก, สต ก, สตกลับคืนมาให้รู้สึกตัวซะก่อนอย่าพึง่งมัวแต่กลอนทุกข์ กลเศร้าจิตใจเล่อนลอยไปมันช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกอาการที่ทุกข์ที่เร้าแบบนั้นมีเดี๋ซ้ําเติมให้จิตใจ เ, เ, น เ, นตตใเราเนี่ยเป็นทุกข์มากขึ้นอีกตั้งสติให้ได้เราเนีเป็นทุกข์อย่างนี้เนาะมันเริ่มมีสติแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีความคิดที่ดีๆนะสตินี่ไม่ใช่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยอย่างเดียวนะถ้าเป็นสติปัญญาสัมปัญญะแล้วก็มันจะมีวิธีการแก้ไขยอยู่ในตัวเห็นทุกข์แล้วก็เห็นทางดับทุกข์ไปในตัวด้วย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 มาจากอุตรดิตตามาท่วมสุขโขทัยต่อมาจะไหลลงมาที่พิจิตรเดี๋ยวก็ถึงนครสวรรค์ถึงกรุงเทพออกปากอ่าวทะเลเลยค่อยๆซึมมาเรื่อยๆเพราะน้ำเ น, นี่ยมันไหลไม่หยุดความคิดแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าคิดไม่หยุดคิดไม่เลิกแล้วก็มีโอกาสท่วมทับจิตใจได้นะเนี่ยไม่เป็นไรเรามีสติเป็นเครื่องป้องกันน้ําไม่ให้ไหลบ่าท่วมทับจิตใจได้สตินี่แหละกั้นกระแสอารมณ์ที่จะกระทบใจได้ เรามีสติสันหน่อยอ๋อเนี่ยเราเป็นทุกป์เยึดมัน่นถือมั่นนะเราต้องรู้จักปล่อยวางอย่าใช้สมองเปลืงองใช้ความคิดเปลืองให้รู้เนื้อรู้ตัวเสียบ้างทุกทางใจเนี่ยแก้ไขด้วยการจเจริญสติด้วยการปฏิบัติธรรมอยู่กับปัจจุบันก็ไว้ถ้าสติไม่มากับตบมือเรียกสติกับพื้นมาอยู่ที่กายเคลื่อนไหวดูลมหายใจลึกๆหายใจเข้าหายใจออก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 บอกคนใกล้ตัวก็ได้บอกสามีเราภรรยาเราลูกเราหรือคนที่เรารักเราสามารถแนะนําแล้วก็สอนเขาได้เป็นองไรก็ตามเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจว่าเราเนี่ยแก้ไขตัวเองไม่ได้แล้วเราจะแก้ไขคนอื่นได้อย่างไรอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเราฝึกตัวเองมากๆฝึกเจริญสติในปัจจุบันนี่แหละอย่างน้อยเราก็ต้องมีความอดทนกับอารมณ์ ความขยันยังไม่เพียงพอนะต้องอดทนด้วยขยันแล้วก็อดทนมีศรนะัทธาการปฏิบัติตัวเราก็จะดีขึ้นทำตัวอย่างเขาดูอยู่ให้เขาเห็นเย็นให้เขาสัมผัสปฏิอาศัายความอดทนจะช่วยได้นะอย่างสมมติว่าเวลาที่เราถูกติดชิ้นนินทาหรือถูกใส่ร้ายการนินทาว่าร้ายเราจะเป็นทุกข์มากแล้วเขาว่าม่ตรงที่เราเป็นซะด้วย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 ว่าร้ายเราใส่ร้ายเราเนี่ยถ้าทําให้เขามีความสุขแล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าทําบุญในส่วนนั้นไปนเลยทาให้เขามีความสุขช่วยเขาในทางอ้อมเลยถ้าเขตาตําหนิติดเตี้ยเราถ้าเขามีความสุขแล้วก็ปล่อยครับเนี่ยเราได้ทําบุญเลยนะถ้ามีโอกาสชี้แจงก็ชี้แจงไปถ้าไม่มีโอกาสก็อ๋อดีแล้วละ่ะเขาจะได้คลายเครียดเขาสับ้างช่วยใจเราให้มีความสุขได้เหมือนกันนะและสิ่งสำคัญก็คือ สิ่งที่เขาตาหนิติเตียนเราหรือดินทาเราเนี่ยเขามาสอบอารมณ์เรานะว่าจิตใ จ, จเราเนี่จะมั่นคงแค่ไหนวันไหวหรือไม่กับเสียงดินทาที่เป็นเสียงเหมือนลมผ่านหูๆๆๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราจะวันไหวกับสิ่งนี้หรือเปล่าถ้าไม่วันไหวแล้วก็สติเราก็ผ่านถ้าวันไหวเราก็รู้อ๋อนี่เราวันไหวนะเราก็ผ่านอีกผ่านด้วยสติเป็นทางผ่านนี่เราเป็นการวัด ิใจของเราเลยว่าเรามีสติมากน้อยแค่ไหนถ้ามีสติน้อยก็หวั่นไหวบ้างถ้าขาดสตินี่หวั่นไหวเต็มร้อยเลยถ้ามีสติทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นของเกิดเกิดดับดเบาล้มีแต่ประโยชน์ส่วนเดียว เ, ยเราทำเพียงแค่นี้ทำตัวให้เป็นปกติแล้วคนรอบข้างเห็นเราเป็นปกติเนี่โอ้โหเขาจะทึ่งในตัวเรานะ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 แล้วก็รู้จักปล่อยวางอันนี้คือเป็นปัญญาเราทำเพียงแค่นี้ไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนมากแล้วคนรอบข้างก็จะเริ่มศรัทธาการปฏิบัติธรรมเนี่ยสำคัญที่ตัวปฏิบัติไม่สำคัญที่ความรู้ร้อยรู้หมื่นรู้ก็ไม่สู้หนึ่งธรรมนะหนึ่งทอสะอําธรรมรู้มากขนาดไหนก็ตามถ้ายังทำไม่ได้เนี่ยถือว่าไม่รู้นะเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องทาตัวของเรา ทำให้เป็นทำให้ชำนาญและสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องประกาศตัวเราว่าอ๋อนี่คนทำได้มันก็มีแล้วเราเองก็ทำได้ด้วย